118. พุทธธรรมนูนที่เป็นหลักเอกของศาสนาพุทธทิฏฐี62ินี้คือทิฏฐีบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วโบราณอาจารย์ที่เป็นผู้รู้ของศาสน า, าทั้งหลายได้ร่วมกันจัดทำรรนำมาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียว พรห ม, มาชาลสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงศีลของศาสนาพุทธอันได้แก่จุลศีลมัชฌีลศีลมหาศีลซึ่งเป็นเนื้อความธรรมนูญของศาสนาพุทธแทๆ้ๆมาถึงวันนี้ในวงการพุทธศาสนาก็เลิกนับถือกันแล้วไปนับถือกันอยู่แค่เพียงวินัยสองยิเท่านั้น โดยหลงกันทั่วไปว่าวินัย227เท่านี้เป็นศีลแท้ๆของพุทธชาวพุทธในาศาสนาพุทธไม่รู้กันแล้วว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีล น, นี้แหละคือศีลที่ภิกษุจะต้องรักษาไว้ให้แก่าศาสนาพุทธให้ได้เป็นหลักเอกของาศาสนา แต่ทุกวันนี้หลงผิดไปแล้วอย่างยากมากที่จะหวนกลับไปเป็นศาสนาพุทธที่มีศีลคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นหลักเอกของศาสนาพุทธเพราะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลได้เลือนหายไปแล้วเป็นศาสนาไม่มีศีลแล้ว มีแค่วินัย227ที่เรียกขานกันว่าศีลของพระโดยแม่รู้กันแล้วจริงๆว่าแท้ๆนั้นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลต่างหากคือศีลของพระแต่ทุกวันนี้เหลือแค่วินัย227เท่านั้นแม้วินัย227ก็ยังเละเทะกันอยู่ซ้ำไปเสียอีก ถึงขนาดสมีอุ้มสมีก็เห็นเห็นกันอะไรเหลือบ้างในความเป็นพุทธศาสนา